วันนี้เป็นวันที่หลายคนรอคอยนะเพราะเป็นวันที่สิบหกนะมันสำคัญยังไงนะมันเป็นวันหวยออกวันประกาศผลล็อตเตอรี่นะหลายคนเนี่ยก็รอฟังข่าวดีนะว่าจะได้ถูกล็อตเตอรี่ถูกหวยและเพื่อว่าจะได้สมหวังนะหลายคนก็ตั้งใจทำบุญนะ ในวันนี้เลยเช่นใส่บาตถวายจักรพรรดโดยว่าใส่บาทเนี่ยเป็นวิธีทำบุญที่ง่ายที่สุดสหรัชบชาวบ้านทำบุญใส่บาทเพื่อว่าจะได้มีโชคมีลาบเสทียในวันนี้มีความหวังนะว่าจะถูกรัตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ถูกขึ้นมานี่ก็ยอมมีความเสียใจแต่สำหรับคนส่วนใหญ่นะ การไม่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยอาจจะดีกว่าถูกนะเพราะว่าไม่ถูกลอตเตอรี่นี่ก็แค่เสียเงินแล้วก็เสียใจนิดหน่อยแต่สำหบหลายคนนี่หากถูกลอตเตอรี่ขึ้นมาโดยเฉพาะถ้าได้ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยน่าจะสมหวังนะแต่ว่าอาจจะลงเอยด้วยความทุกข์หรือชีวิตตกต่ําย่ําแย่ก็ได้นะ ตัวอย่างนี่มีมากทีเดียวคนที่ถูก ร, ตตรัตตอรีรางวัลที่หนึ่งแล้วชีวิตนี่ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะกับแย่กว่าเดิมนะอย่างมีพารูนหนึ่งเนี่ยถูกรัตตอรี่นะรางที่หนึ่งนะหกล้านบาทนะได้มารีบศึกเลยนะมีเงินหกล้านนี่รีบศึกเลย ศึกมาแล้วก็ปรากว่าใช้เงินที่ได้มาเนี่ยอย่างสุรุทสุดรานะ้ายนะทั้งกินทั้งดื่มทั้งเที่ยวทั้งเล่นแล้วก็แจกไม่นานนะก็หมดตัวนะเหลือแค่สองหมื่นจะทำมาหากินอะไรก็ทำไม่เป็นสุดท้ายนี่ก็ เอาเงินสองมือเนี่ยไปซื้อสำล้อรับจ้างถีบสำล้ออันนี้ต่างจังหวัดนะสมัยที่ยังมีการสัญจรด้วยสำล้อถีบอยู่จากชีวิตที่เจ้าว่าใบาก็ดีอยู่แล้วนะคือการได้บวชเป็นพระแต่พอได้เป็นคารวะนี่ก็กลับกลายเป็นยาจกทั้งทั้งที่ถูกรัตเตอรี่ต้อง เลี้ยงชีพโดยการถีบสําลอกแล้วก็ขายลอตเตอรี่นะบางคนนี่ไม่ได้ถูก6ล้านนะได้ราบกอนใหญ่นะเก้าสิบล้านนะแสดงว่าซื้อหลายใบนะสบกว่าใบชีวิตนี่ก็น่าจะดีนะเพราะว่าได้ราบกอนใหญ่นะแต่ปรากฏว่าไม่ได้ดีหรือมีความสุขเลย มีสามีที่เคยอยู่ด้วยกันมานานก็เลิกราจากกันนะเพราะว่ามีความขัดแย้งกันเรื่องเงินแล้วก็เช่นเดียวกับหลายคนนะความีเงินมากๆแบบนี้เนี่ยใช้ไม่เป็นสี่ปีนะก็หมดเลยนะเก้าสิบล้านชีวินี้กลับมาเหมือนเดิมหรืออาจจะแย่กว่าเดิมนะเพราะว่าใช้เงิน อย่างซูรูชูล่นะจนติดเป็นนิสัยนะและแถมครอบครัวที่เคยอบอุ่นแนละ้วก็เร่าฉานถึงคอนแตกแยกกันแต่จะว่าไปแบบนี้ก็ยังดีนะเพราะว่ามีหลายคนที่ชีวิตตกละการลำบาก ย, ยิ่งกว่านั้นนะ มีกรรมกรก่อสร้างคนหนึ่งเนี่ยถูรถตัวเรางที่หนึ่งนะได้หกล้านนะเลิกเป็นกรรมกรเลยแต่เลิกแล้วนีนแทนที่จะเอาเงินมาประกอบอาชีพเพื่อต่อยอดให้ชีวิตนี้มีความมั่นคงเนี่ยก็เหมือนกับคนส่วนใหญ่นะไม่เปอันทำงานดื่มกินดื่มเที่ยวเล่นไม่ถึงปีนะกลายเป็นคนติดยาบ้าไปเลย ติดยาบ้าไปเลยเงินเหลือไม่เท่าไหร่ติดยาบ้านนี่ก็อาราวาดคุ้มครั่งจะเผาบ้านเนี่ยโจนทั้งแม่นี่ต้องเรียกตำรวจมาจับนะเพราะว่ากลัวว่าจะทําอะไรที่เลวร้ายกว่านั้นนี่ทํำไมถูรัตเตเรอวันที่หนึ่งนะก็ที่คงไม่ตกต่ําย่าแย่ขนาดนี้ยังเป็นผู้เป็นคนอยู่ได้ บางรายนี่พอถูรัตเตรี่แล้วะวันที่หนึ่งแล้วกินอย่างหนักเที่ยวอย่างหนักดื่มอย่างหนักเนี่ยไม่ติดยาบ้าก็จริงนะแต่ว่ามึนเมาไม่ถึงปีนะก็เพราว่าจมน้ําตา ย, ยจมน้ําตายเพราะว่ามึนเมาอย่างหนักนี่ทําให้ถูกรัตเตรี่วันที่หนึ่งหรือไม่ได้รับก้อนใหญ่นี่ก็คงจะไม่ มึนเมาขนาดนั้นนะนี่เรียกว่าลาบก่อนโตนี่มันกลายเป็นทุกข์นะแล้วก็มันก็ฉุดให้ชีวิตนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตกต่ําย่ำยาอย่างเดียวนะแต่ว่าตายเร็วด้วยมีหลายๆหยนะ้าที่ลงเอยแบบนี้แหละนะเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายหรือว่าติดยาบ้าหรือว่าติดเหล้าจนมึนเมา บางคนค่าตัวตายเลยนะอย่างมีพ่อค้าเร่คนหนึ่งเนี่ยถูกรถเตลีวันที่หนึ่งได้มา20ล้านเป็นข่าวนะหน้าหนึ่งไทยรัฐแต่ไม่กี่เดือนต่อมาก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะแต่คราวนี้เป็นข่าวเพราะว่าค่าตัวตายนะเนื่องจากถูกกดดันมากถูกรถเตรีแล้วนี่คนก็มา ลุ่มร้อมมาของเงินเนี่ยก็ให้นะแต่ว่าคนที่ได้เนี่ยหลายคนก็ไม่พอใจเพระเาะแค่ตัวเองเนี่ยควรจะได้มากกว่า น, นี้เพราะเคยทาบุญทําคุณช่วยเหลือพ่อค้าเร่คนนี้มาก่อนพอไม่ได้อย่างที่อยากก็ขู่ฆ่าขู่ฆ่าทั้งตัวพ่อค้าคนนี้แล้วก็ลูกสาวใจเครียดมากนะเลย น้ำยาล้างโซมนี่กรอกใส่ปากแต่ดีในะที่ลูกสาวนี่พาส่งโรงพยบาบาลได้ทันนะก็เลยรอดตายท่านอาจารย์พูดไว้ดีนะบอกว่าเนี่ยตอนที่เป็นพ่อค้าหาเรเนี่ยพ่อค้าเรเนี่ยแม้จะลำบากยังไงแต่ก็มีความสุขกว่าตอนที่ถูกลดต้อ่รียวันที่หนึ่งนะงั้ในใครก็ตามเนี่ยที่อยากได้ราบก้อนโตเนี่ยเช่นถูกลดต้อ่รียวันที่หนึ่งเนี่ยควรจะถามตัวเองนะว่าถ้าเกิดได้มาเนี่ย เราพร้อมไหมที่จะได้ลาบก้อนนี้มาคนส่วนใหญ่ไม่ได้ถามนะคิดแต่ว่าขอให้ถูกเถอะขอให้ได้เถอะแต่พ อ, พอได้มาแล้วนี่เอาตัวไม่รอด น, นะทุกลาบมันท่วมทับนะจนกลายเป็นทุกขลาบคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่พร้อมนะในการที่จะได้ลาบก้อนโตเพราะว่าพอได้มาแล้วนี่มันมันดีใจนจนลืมตัว แล้วก็โอกาสที่จะถล้ำไปในวังวนของกิเลสเป็นเหยื่อของสิ่งเราเราเย้ายวนนี่มันก็มากขึ้นนะตอนที่จนนี่มันจะใช้ชีวิตสู่รุยสู่ไร่อย่งไงก็ยากแต่พอรวยขึ้นมานี่โอช่องทางที่จะใช้ชีวิตในทางสู่รุยสู่ไรหรือตกต่าย่ยําแย่นี่มันเปิดกว้างมากขึ้นนะคนเสียไม่พร้อม พอได้ลาบมานี่เราไม่รู้หรอกนะว่าประตูนรกเนี่ยมันเปิดกว้างขึ้นนะคนไม่ค่อยนึกนะพอได้ลาบก้อนใหญ่แล้วประตูนรกมันเปิดกว้างขึ้นเฉพาะคนที่มีสติมีปัญญาเนี่ยจึงจะไม่ถลัมนะลงนรกนะแต่ส่วนใหญ่นี่ก็ถลัมลงนรกพอประตูนรกนี่มันเปิดกว้างแต่ก่อนนี่มันปิดหรือมันงมแงมเพราะว่ามีเงินไม่มากเนี่ยแต่พอเงินมีมากตูนรกหรือ ประตูนั้นก็เปิดกว้างขึ้นเขาจึงเรียกวอบายามุกนะอบายามุกก็คือประตูสู่ทางอบายเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่พร้อมนะในการที่จะได้ลามเนี่ยไม่ค้องเกี่ยวกับมันเลยจะดีกว่าแทนที่จะหวังรวยามาเอาดีดีกว่ามาสร้างสมความดีมาฝึกจิตให้รู้จักพอมีสันโดษแทนที่จะรวยนะ ผ่านมาสั่งสมสันโดษความรู้จักพอให้มากมากเพราะถ้ารู้จักพอแล้วมันรวยเองนะครูเจ้าตรัสว่านะ่สันโดษเนี่เป็นทรัพย์อย่างยิ่งใครมีสันโดษนี่ก็จะรวยเป็นเป็นความรวยที่ไม่เป็นโทษกับใครนะเพราะมันเป็นอริยทรัพย์แต่ถ้ารวยด้วยเงินด้วยทองจริงๆนี่มันเป็นโทษมากนะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้เงินไม่เป็น ไม่มีความพร้อมแล้วก็ไม่เคยถามตัวเองเลยท่านก็บอกว่านี่วันนี้นี่ถ้าใก่หลายคนนี่ไม่ถูกหวยนี่บางทีดีนะดีกว่าถูกหวยหรือถูรัตเตอรี่เดยเพราะรางวันที่หนึ่งรางวันตัวใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆเพราะถ้าถูรัตเตอรี่รางวันที่หนึ่งขึ้นมานี่ชีวิตนี่มันจะมีโอกาสย่ำแย่นะกว่าที่เป็นอยู่